เรื่องของวิปัสสนูจินตยานวิปลาสซึ่งส่วนใหญ่พระกรรมฐานท่านไม่ค่อยพูดถึงกันเวลาโยมไปทำแล้วเป็นพระรก็ตามแก้ไม่ได้แต่เราพูดเียนให้ความสำคัญเรื่องนี้<ม>ก็จะจับมาเชี่ยเห็นทีละประเด็น เพราะว่าเรามีสตาวอยู่แล้วที่จะปฏิบัติได้ศึกษาได้เข้าใจตามประเพณีพูดมานานว่าเป็นสิ่งที่เราปรารถนามัรผลนิพพานเนี่ยมาทำบุญทำทานรักษาศีลรมอะไรก็ตามเราก็ปรารถนาแต่ว่ามันก็ไปคนละทางาเพราะขาดความขาดท่านผู้รู้มาชี้ คือมีคนสอนเยอะแต่ว่าจ ะ, จะชี้ถูกชี้ผิดให้ชัดเจนไม่ค่อยมีสอนกันไปบรรยายกันไปสารพัดนะตามตำราแต่เวลาเวลาเอาไปทำแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างที่สอนเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านนำ ม, มาทำมาก่อนเนี่ยเราก็เอาตามที่เราว่ามันจะใช่อย่างที่เราฟัง อย่างที่เราคิดก็เรียกว่าหาข้อถูกข้อผิดด้วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็ขาดครูบาอาจารย์หรือการะยะมิตรอยู่ใกล้ชิดเวลามันผิดแล้วก็ไม่รู้วันผิดเวลามันถูกก็ไม่ถูกเพราะเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเมื่อเดินทางขาดคุชี้ทางขาดรู้เข้าใจแผนที่แล้วขับรถไปบางทีเราไปในถิ่นที่เราไม่เคยไปเนี่ยามาเอง เวลาครับไปนั่งรถกับโซฟีนเราเคยผ่านมาบ้างแต่เขาไม่เคยไปเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าเป็นเราไม่เชื่อเราก็พาเลยพาตะลิดไปกลับไปกลับมาเสียเสียเวลาเสียค่าน้ำมันนั้นตงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรการแรกเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่ชนานาญเรื่องแผนที่ที่เราไม่เคยไปแล้วก็ถามนะถามคนที่เขารู้ทาง เราเสียเวลาหยุดถามคนก็ยังดีกว่าเราไปเสียเวลาหลงไปตั้งเยอะแล้วกลับมาถามอันนี้คือรูปธรรมที่เราเห็นอยู่ทีนี้ในจุดที่หลวงพ่อท่านเน้นก็คือว่าเวลาปฏิบัติไปเนี่ยส่วนใหญ่เราผ่านสมาธิมาเยอะเวลานั่งปั๊มเราก็ต้องทำความสงบอยากจะให้มันสงบ ทีน่นี้ท่านว่าสงบมันมีสองแบบสงบแบบไม่รู้กับสงบแบบรู้สงบแบบ <c oughs> ไม่รู้คือคืออยากจะให้จิตมันสงบสงบจากการรับรู้อะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วในสงบแบบรู้หมายความว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในกายในใจของเรามันทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นแสดงว่าไม่สงบ แต่เราอยากจะให้มันสงบเราก็ไปบังคับให้มันให้สบายยิ่งบังคับมันก็ยิ่งไม่สบายไปกดไปดันไปเก็บไปกดมันแต่ท่านบอกสงบแบบรู้คือเข้าไปแก้ในส่วนที่มันสบายก็ให้สบายซะไม่ใช่ไปบังคับให้มันสงบอีกร่างกายไม่สงบก็คือมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันเหนื่อยมันเพลียนแล้วก็ไปแก้ให้มันหายด้วยวิธีการต่าง พอมันหายจากทุกเวทนาก็เร่องมันสงบสงบจากสิ่งที่มันรบ ก, กวนสงบจากเพราะมันเป็นไปตามกฎของต่รักแต่เราให้สงบจกว่าไม่ให้มันแรงเกินไปจนเราทนไม่ได้ก็ทำให้มันเราทนได้ก็เรียกว่ามันสงบจากความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์นั้นด่างกาย ดานจิตใจก็เหมือนกันเมื่อเราไม่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงความไม่รู้ของกายมันก็ไปสร้างความสงบให้กับจิตความสงบของไม่ัมันไปสร้างความไม่สงบให้กับจิตความไม่สงบของจิตคือมันคิดมันปรุงมันแต่งมไม่สงบอ่าพอเราไปแก้ไปบังคับให้มันไม่คิดไปบังคับไม่ให้คิดเราก็กดเอาไว้เราไปบังคับ มันก็ไม่อยู่เดี๋ยวก็เพ้อคิดกันได้เพราะต้นเหตุไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นต้นเหตุก็คือเรามาทําการให้สงบจากตัวสังขารการปรุงแต่งของกายให้ชัดเราแก้ไขร่างกายให้มันชัดให้มันโปร่งให้มันสบายทีนี้จิตของเรามันก็ก็พลอยถูกแก้ไปด้วยแต่ในในกรณีที่ร่างกายมันสงบมันไม่มีเวทนาอยู่แล้วแต่จิตใจมันไม่สงบเพราะอะไร ก็เพราะมันเป็นตัวที่รู้สึกในกายเนี่ยนอกจากมันสงบจากเวทนาแล้วต้องมาแล้วลึกรู้ถึงตัวความสงบของกา ย, ยให้ชัดด้วยการมาลึกรู้ถึงความรู้สึกสงบของกายให้ชัดก็จิตเดียวกันจิตที่มันทำจิตให้สงบเมื่อทำกายสงบจิตมันก็สงบไปด้วยแต่ถ้าเราไปทำจิตให้สงบโดยที่ไม่รับรู้ความสงบของกายเนี่ยมันก็เลยไม่ถูกเหตุ เรียกว่าสงบแบบไม่สงบเพราะฉะนั้นความสงบพันบอกมันมีอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ปรากฏชัดก็เพราะมันมีเหตุให้ไม่สงบเหตุที่ไม่สงบคืออะไรกดของนิจังที่ทำให้เกิดทุกข์ังเกิดความไม่สบายเราก็ไม่ตามแก้เพราะไม่ตามแก้ก็ไปสร้างความสงบข้างในอีกคือความไม่สงบทางจิต <c oughs> เพราะนั้นเวลาแก่เราก็กลับมาแก้ที่กายก่อน แก่ที่กายเรามาเพิ่มความรู้สึกที่กายให้มันชัดเพราะความชัดเจนเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างมันก็ไปจิตของเราที่มันคิดกับไม่คิดมันก็จิตเดียวกันนั่นแหละนะที่มาลู่ความสงบมาสู่ของกายมันก็จิตอันเดียวกันแหละที่มันไปคิดแต่เนื่อว่ามันมีจิตอันเดียวเมื่อเราดึงมันมาลู่ความสงบความสบายความปกติของกายความรู้ เกี่ยวกับความสงบความสบายของกายมันก็ไปประกวดที่จิตความไม่สงบของจิตมันก็หายไปนี่คือความสงบแบบรู้ว่าที่ไปที่มามันเกิดจากอะไรความสงบแบบไม่รู้คือไม่รู้ที่ไปที่มาไปบังคับให้มันสงบเพราะนั้นเวลาเราก็ฝึกสมถะนี้มาสำนักไหนก็ฝึกให้สมถะก็คือให้หลับตาทำกายให้นิ่งทำกายให้สงบนั่งปับ๊บเราก็หลับตา จนมันเสพติดอะไปนั่งทํากรรมาฐานที่ไหนถ้าไม่ได้หลับตาดูเหมือนว่าไม่ใช่กรรมาฐานแล้วใช่ไหมมันเสพติดแล้วมันนั่งสร้างเยอะวะก็ต้องหลับตาอีกเพื่อให้มันสงบมันเน้เรื่องว่ามันเสพเสพความสงบเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแก้ไม่ตกพอแก้ไม่ตกเราไปเสพความสงบมากๆไปไง ก็เกิดเป็นนิมิตนะเกิดเป็นนิมิตสีแสงเกิดเป็นเห็นโน่นเห็นนี่เกิดมีเสียงแววเกิดมีกลิ่นหอมอะไรขึ้นมาตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นไปบังคับมันมากมันเป็นวิปัสนาวิปัสนาว่าเพราะเราไปสําคัญความสงบผิดแทนที่เราจะแก้กายสงบเราแก้กายให้สงบจากเวทนาจิตมันก็สงบเอง แต่นี่เราไม่แก้ไปกดยิ่งกดมันก็ยิ่งดันใช่ไหมตามกดมันก็ไปเป็นพิภสานุกันดับแรกเพราะนั้นพอไปติดความสงบมากๆเข้ามันก็ไปติดใส่นิวรณก่อนตอนแรกอะ่ะเราก็ไปแก้นิวรณความโง่ค ว, วามเงาความเบื่อความขี้เกียจความฟุ้งซ่านความลังเลเนี่ย <c oughs> มันก็ไปเป็นตัวนั้นก่อนตอนแรกยังไม่เป็นพิภสานุนะมันไปเป็นนิวรณก่อนแล้วก็มานั่งแก้นิวรณกัน พอก่นิวร์เกิดขึ้นเราแทนที่จะไปแก้นิวรณ์เราไปบอกเข้าไปจิตสงบอีกมันก็สงบไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เหตุของมันเราต้องไปแก้มันง่วงก็ต้องไปแก้ที่ง่วงเราอยากจะสงบนั่นหมายความว่ามันเป็นความเสพล้วเสพติดแล้วก็นั่งที่ไหนเราก็อยากจะไม่ให้มันมีอะไรเพอข้างนอกมันวุ่นวายเหลือเกินพอทั้งหลบก็หลบให้มันสนิทมันก็เลยเป็นสูงเพราะเราหนีความไม่สงบมาหาความสงบแต่ถ้าสงบแบบรู้ก็คือความไม่สูงมันเกิดจากอะไร ก็แก้เหตุอันนั้นความสงบมันมีอยู่แล้วแต่ว่าที่มันไม่สงบพ้นมันมีเหตุเราไปแก้ที่เหตุไม่ใช่ไปกดเกิดนิวรณ์คือสิ่งที่เราเบื้องตุ้นที่เราว่ากันมาประจำนี่แหละแต่ในเมื่อเอาเร า, เราไปกดนิวรณ์เอาไว้อีกมันก็เกิดวิปัสนูอ่าก็คือทำให้จิตของเราเกิดความไม่ปกติเกิดความ เศร้าหมองความสงบก็เป็นสิ่งที่เศร้าหมองเพราะมันผิดธรรมชาติของมันนะ <c oughs> บังคับให้มันสงบพอมันไม่สงบขึ้นมาเราก็หงุดหงิดจิตก็เศร้าหมองหรือไปบังคับให้มันเกิดจนมันสงบได้จริงอะ่ะแต่มันเกิดไปเป็นนิมิตเป็นสีเป็นแสงเป็นความสว่างสวัยอะไรขึ้นมาพิเศษเพราะมันถูกบังคับเราก็ไปสาคัญตัวนั้นว่ามันเป็นธรรมะ เราก็ไปตามวิปัสสนูเป็นอย่างนั้นมันก็ปั่นปวน่วนละเพราะมันถูกบังคับพอปั่นป่วนขึ้นมาเราก็ไปสําคัญความปั่นป่วนว่าเป็นธรรมะอีกนะไปเพ่งไปทําให้มันมากขึ้นไปทําให้สงบมากขึ้นทาให้มันเห็นมากขึ้นสร้างนิมิตสีแสงกินเขาเรียกว่าจินตยานมาละจินตยานพอเกิดจินตยานนี่เราก็เอาสิ่งที่เราไปคิดไป รู้อย่างนั้นอมาพูดมาคุยทั้งๆ ท, ที่มันมันเริ่กเป็นจินตยานท่านบอกว่าตัวจินตยานเนี่ยจะทําให้ระบบประสาทมันสมองอะไรแปรปลวนเพราะร่างกายจิตใจถูกบังคับมากเกินไปเพราะเราไปติดความสงบเราก็คิดว่ามันดียิ่งบังคับก็ยิ่งสงบดิ้งบังคับร่างกายก็เกิดวิปริตแปรปลวนแล้วก็ไปสําคัญผิดแล้วก็แสดงออกในทางผิดก็เรียกว่าจินตยาน วิปัสสนึกวิปัสะคิดก็ไม่ใช่วิปัสะนานึกเอาคิดเอาโดยจินตยานวิปัสสนึกวิปัสสนิทเรียกว่าเออโหเจือไงเรียกว่าจินตยานเรามาเรียกภาษาง่ายๆวิปัสสนึกวิปัสะคิดโดยคำเจือมันก็คือตัวจินตยานนั่นเองแล้วเราก็ไปคิดไปเอามาอวดกันว่ามันใช่ยิ่งพระอาจารย์ไปเสริมโดยใช่แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ <laughs> อ๋อธรรมวิจารณนั้นก็เป็นนิวรณ์อยู่ธรรมวิจารอยู่ในข้อเลยว่า อุทจจะคือนิวรเป็นนิวรตัวหนึ่งธรรมวิจารณแต่มันนิวรในทางคิดในทางดีคิดในทางที่เป็นคิดว่าเป็นกุศลนะนะแต่มันก็ยังเป็นนิวร อ, อยู่แต่ตัวเองคิดว่ามันเป็นกุศลพราะคิดในทางดีคื อ, อชีวิตนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเราไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นเราควรจะปล่อยวางอย่างคิดได้แต่มไม่ใช่ของจริงขนาด น, นั้นเราเอามาคิดมาพิจารณาได้แต่เป็นธรรมวิจารณ์ แต่คนจริงตัวอนิจจังทุกขังราเขาแสดงอยู่ต่อเวลาเราก็ไม่เห็นแต่เราไปเห็นสมมุติของมันคือออกมาเป็นสมมุติคําพูดสมมุติภาษาเขาเรียกธรรมวิจารณ์เป็นเป็นเหตุเบื้องต้นเรียกว่านิวรณ์แต่ก็จะเป็นเหตุถ้าเราไม่จัดการให้ถูกต้องมันก็จะไปเหตุไปสู่วิปัสสนูนั่นแหละจะเป็นเหตุต้นของมันพอวิปัสสนูเกิดขึ้นแล้วเราไปบังคับแก้ไขวิปัสสนูไม่เป็นมันก็ไปเป็นจินตายาน พอจินตยานไปสําคัญสาภาวะต่างๆแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไปตามเรื่องตามราวมันก็จะกลายไปเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดวิปริตทางความคิดอีกตรงนี้เขาเรียกวิปรลากนะเพราะฉะนั้นคนปุถุชนทั่วไปเป็นวิปรลากทุกคนเพราะสําคัญของที่ไม่เที่ยงว่า ม, มันเที่ยงสําคัญของที่มันทุกข์ก็เป็นสุขสําคัญของไม่มีตัวตนก็เป็นเดนือดรนเราก็เลยไปยึดอย่างนั้นตรงนี้เขาเรียกวิปรลาก มันก็แก้ยากแล้วทีเนี้ยมันก็จะทอดกันไปเงี้ยถ้าเราแก่นิวรณ์ไม่ตกมันก็ไปเป็นปนิปัสนูแก้วิปัสนูไม่ตกไปเป็นจินตยานแก้จินตยานไม่ตกเป็นวิปลาสทอดกันไปเงี้มันเป็นอารมณ์สมถะทั้งนั้นเลย <S <S เป็นอารมณ์สมถะกรรมาฐานสี่สิบกองที่ ม, มาอ ก, กันนี่นะคำรวมอารมณ์สมถะสี่สิบกองนี้ได้บอกบ่อยๆว่ามันคือเครื่องมือแก้ ตัวที่กายไม่ปกติจิตไม่ปกติเอามาแก้เช่นเราเกิดความง่วงอย่างนี้นะเราตัวไหนมาพิจารณาเกรรมฐ า, านสี่สิมีอะไรบ้างกระสินสิบอสุภาษิสิบอนุสติสิบธาตุาสี่เจดูธาตุวัฏฐานธาตุาสีแล้วก็ไอ้ประชญ์ทั้งเก้า รวมแล้ก็เป็นี่สิบอนุสติก็ดีเกษีก็ดีมไม่ได้มีในกายานุปัสนาแต่เร า, า, าก็รนั่นก็เอาเขาเอามาขยายอามาขยายให้มันมากให้มันละเอียดประชาชนทั้งเก้าทั้งแต่ตา ย, ตายใหม่ๆตายได้สองสาวันตายได้สี่ห้าวันตายได้เจ็ดแปดวันตายได้เดือนตายได้ปีก็ขยายไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยตามจินตนาการแต่คนจริงตายล้วก็ไปเผาฟังก็หมดเรื่องกันเลย เคยเล่าบ่อยๆวยพระในสาขาหลวงพ่อชาในที่ว่าวัดพทธิยานพิจารณาเวลาคนตายมาห้ามมาไปเผาทินทีมาให้พิพจารณานสามวันห้าวันเพื่อเพื่อพิจนาอาัศาะทำมาได้สิบกว่าปีแต่วันหนึ่งไปบินทั บ, บาทไปเห็นโยมร้องห่มร้องไห้เพราพลูกตายลูกตายแล้วก็สามีก็ตาย ตัวเองก็พัดผัวเข้ามาในเมืองไทยเป็นคนเล่าก็ท่านสอนกรรมฐานก็บอกยมเจริญกรรมฐานที่เจริญกรรมฐานก็คนไม่เคยเจริญก็ต้องบอกกันบอกกันไปบอกกันมาก็เห็นใจกันเห็นไหมมันไม่นึกถึงป่าช้าทั้งเก้าเลคือความเมตตาสงสารขาดปัญญาใช่ไหอันน้ที่สุดก็เลยไปด้วยกันนะเรียบร้อยอย่างเงี้ย เราเห็นว่าถาเราพิจารณามันเกิดที่หนึ่งเราไปพิจารณาที่หนึ่งเนี่ยมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมเรากรรมฐานมาทั้งสิบเจ็ดสิบแปีเป็นสมถะทั้งนั้นเวลาเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาไม่ได้เพราะความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันก็ไปสร้างความเข้าใจอย่างนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีอันนี้ก็เช่นเดียวกันให้จําได้เป็นหลักๆว่าที่เรากรรมฐานทุกคนเนี่ยต้องมีนิวรณ์เข้ามา เพราะมันเป็นของเก่าของเรา อ, อย่างกามฉันทนิวรณ์เพราะอะไรเรามีความชอบชมเสพชมสนุกสนานเป็นพื้นฐานใช่ไหม เ, เวลาไปกรรมฐานมันไปฝืนไอ้ความอยากของเรามันก็ออกมาเป็นใช่ไหมเกิดความปฏิฆาห์หงุดหงิดอึดอัดเพราะความอยากไม่ถูกตอบสนองใช่ไหมก็อึดอัดก็เป็นพยาปราทานนิวรณ์พอมันอึดอัด จะไปไหนก็ไม่ได้ง่วงมันเช่เลยนั<ม>่อันที่สามมันก็มาง่วงไปเอามาออกอยแกงง้วเอาไปติดสิคิดฟุ้งซ่านต่ออีกเอ๊ะกูมานี่มาทําไมเพื่อนไปแล้วสงสัยแล้วทีเนี้ยนิวรณก็จะมาเป็นชุดเป็นชุดเขาก็แก้ไม่ตกเขแก้ไม่ตกเอาไปเอามาเขาก็ไปเพ่ ง, ไ ป, พงไปเพ่งนิวรณไปบังคับไม่ให้มันเกิดไปกดไปดันเอาไว้เกิดวิปัสสนุต่อเห็นไหมมันมันก็โยนช่วงไปแบบนี้ ทีนี้พอเราเป็นเราปฏิบัติเองเนี่ยจะไปถามครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วตอนฟังหนูจะเข้าใจนะตอนไปทำมันโคนละเรื่องบางทีดังนั้นก็เลยที่แก้กันไปในช่วงปฏิบัติเนี่ยก็บอกให้แก้แก้แก้ไปจนกระทั่งว่าเราฝึกแก้ฝึกเกิดฝึกแก้ฝึกเกิดจนมันชํานาญเพราะว่าเป็นปฏิบัติที่บ้านเราก็รู้วิธีแก้คุณพ่อเทียนบอกให้บอก กายกับใจเนี่ยโดยธรรมชาติมันสงบอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างความสงบมันอีกอสเหตุนี่ไม่สงบเพราะมันมีเวทนาอะไรขึ้นมาเราไม่แก้เราไม่ยอมแก่เราไปกดซะใช่ไหมมันปวดขึ้นมาแทนที่จะลุกจะปวดจะเพื่อให้มันสบายกลับไปสู่ปกติใหม่ไปกดมันไว้อเพื่อจะอะไรสร้างขันติบารมีเพื่อสร้างพลังอะไรอะไรมันก็ไปทางนั้นจิตมันค่อยเศร้าหมองท่านก็เปลี่ยนสมมติว่า การที่จะไปแก้มันก็ทั้งทำแบบอะไรแมวกระหนูใช่ไหมแมวกระหนูเวลาเวทนาต่างๆหรือความไม่สบายต่างๆมันเหมือนหนูออกมาเนี่ยออกมาตรงนั้นออกมาตรงนี้ทีออ่เราไปไล่จับไม่สบายตรงนี้ก็ไปแก้ตรงนี้ไหมแก้ไปแก้มามันไม่ไหวเหมือนไอ้หนูเนี่ยมันจะแมวมจะไปไล่จับหนูมันไล่ตรงนี้แต่หนูมันตัวเล็กกว่าแมวใช่ไหม มันมุดค่อยซ่องเข้ารูที่ไหนแมว เ, เข้าที่ไหนได้ <c oughs> แล้วแมวก็ต้องฉลาดละทีนี้มันก็แอ บ, บอยู่ข้างนอกแล้วปล่อยให้หนูขึ้นม า, าก็จะปบนะก็เหมือนกันสติเนี่ยมันหนเูเวลาความคิดออกมาก็าปล่อยมันออกมาอย่ไปกดมันไว้จะไปจ้องอยู่ปากรูหนูหนูจะออกมาได้ไงใช่ไหมละ่ะเออเหมือนกันจ้องมาให้มันความคิดความคิดออกมาก็กดความคิดออกมาก็กดไม่ได้มันก็หลบไปดีมันหนูหลบเข้ารูนะแมวก็ เมื่อกินนะเงฉลาดค่อยจ้องอยู่ไกลๆใช่ไหมจะให้หนูมันเห็นปล่อยให้หนูมันเพินนะพวคิดคิดออกมาก็ให้มันคิดดูก่อนแล้วก็หาวิธีทีนี้หาวิธีจัดการมันแต่ส่วนใหญ่เป็นไงแมวมันอ่อนพอหนูมาแนละ้วบางทีแมววิ่งหนีเลยแต่นี้ที่อเมริกาแมวกลัวหนูนะไม่ใช่หนูกลัวแมวนะเพาะอะไรเพราะอะไรเพราะเราขุนแมวจนอ้วนนะหนูออกมามันมันไล่ เออมันไล่กันแมวจะเองหนูนะ่ะเออ <laughs> ตลกจริงๆพ่อว่ามันขุนแมวจนอ้วนมันไม่หิวมันก็กลัวสี่องนะว่าเออเห็นไหมเห็นคลิปข้ามาออกหไหมแต่แท้ที่หนูแมวไล่กัดหนูหนูไล่กันแมวเ <laughs> นี่ยเห็นไหมแล้วก็ขุนกิเลส จ, จนอ้วนแล้วไอความคิดมันก็ออกมาเราทําอะไรไ ม, ไม่ได้แล้วทีเนี้เพราะอะไรเพราะตัวแมวคือตัวปัญญา เราไม่ได้ฝึกปัญญาแล้วไปขุนไปตีความสบายพอไปตีความสุขความสบายไอ้สติปัญญามันก็หายดิก็หดดิกิเลสมันก็อ้วนพออว้วนเราเราก็กลัวกิลเอ๋อกลัวหนูเราดิเ น, น, นก็กลัวกิเลสเพราะฉะนั้นวิปัสสนุท่านก็จงเปรียบเหมืนว่าจะแก้มันก็เปรียบทำแมวกับหนูจินตญานถ้าจะแก้มันท่านเปรียบเสมือนขุดบ่อน้ําเวลาบ่อน้ำใหม่ใหม่มันก็ ขุดว่าก็ขุนคลักเลยใช่ไหมวิธีการแต่ว่าน้ําที่ใส่น้ํำจริงมันออกมามันใสหรือมันขุนตาน้ํำจริงอ่ะมันใสใช่ไหมไอแต่ที่ขุนน่ยมันไม่ใช่น้ําที่ออกมาจากตาน้ําแต่มันเป็นความเสกปรกจิตของเราที่มันขุนมัวมันไม่ได้หมายถึงว่าตัวรู้ตัวรู้เหมือนตาน้ําออกมาเรื่อยๆตัวรู้ตัวนะแต่ที่มันขุนมัวเป็นความคิดเพราะอะไรเพราะกิเลสหรืออดีตอนาคตเหมือนไอขี้ตรงอยู่ปากบ่ออ่ะน่ะอดีตอนาคตของเรา แล้วก็เอาเรื่องอดีตอนาคตมาคิดมันก็กลายเป็นจิตมันก็ขุ่นมัวท่านบอกว่าไงตักออกใช่ไหมตักออกตักออกตักออกตักออกเรื่อยๆพอตัวอดีตอนาคตเปลียนเสือนขี้โต ม, มันถูกสลัดออกสระออก ส, ออกสตัวรู้สึกล้วนๆก็เกิดเรื่อยๆมันน้ำใสมันก็แก้ได้จินตยานจินยานมันก็มันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดเรื่องดีๆนะเรื่องดีเรื่องๆๆนะช่วยท่านบอกสลัดไปก่อน อย่าไปเอามันไว้เพราะมันยังทําให้น้ําขุนได้อยู่ความคิดมันยังให้ตัวรู้เราขุนได้อยู่ตัวรู้กับตัวคิดมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าที่มันกลายเป็นตัวคิดเพราะมันมาถูกความอะไรอดีตอนาคตอะเข้ามาหรือกระทบเราไปสําคัญว่ามันเป็นตัวโดนไปสําคัญว่ามันเที่ยงไปสําคัญว่ามันอ่าสุกเงี้ยมันก็ไปทําให้จิตมันขุนด้วยอันนั้นเราก็สลับไปก่อน ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งจนกระทั่งว่าคิดโตมขี้เลนหรืออดีตอนาคตความสําคัญผิดต่างๆมันหายไปก็เหลือแต่ตัวรู้ล้วนๆะันนั้นตัวรู้กับตัคิดตัวเดียวกันแต่ว่าอันหนึ่งมันถูกปุ่นปอมเพราะเราไม่ทิ้งเรากักมันไว้นี่กักก็ยิ่งขุนแหละที่นี่น้ําก็ออกมันก็ใสแต่มันกลายเป็นน้าขุนเพราะว่าเราไม่สลัดทิ้งนี่วิธีแก้กจินตยานนะทีนี้วิธีแก้วิปลาสทําไง บอกแก้ยากถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เก่งๆนะเป็นบ้าไปเยอะเพราะอะไรพวกวิปราสนี่หมายามันสําคัญผิดอะ่ะสมคิดว่าตัวรู้สําคัญว่าตัวเองเป็นผู้รู้สําคัญว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันไม่ฟังแล้วครูบาอาจารย์สั้นเก่งของครูบาอาจารย์เทียงอะไรไปก็มีแต่ถ้าหากว่าเขามีบุญบารมีอยู่นี่เขาก็จะเข้าหาครูบาอาจารย์ เค า, า, ารพราารารครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่ท่านฝึกให้เคารพครูบาอาจารย์เผื่อแล้วเพื่อมีปัญหาวิกฤต ม, มันไม่ฟังใครนะแต่ถ้ามีครูาอาจารย์ที่เคารพอยู่เนี่ยมันจะฟังฟังแล้วมันจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะให้มาฝึกปฏิบัติพระเนี่ยอย่างสายธรรมยุทธ์เขาจะต้องให้ฝึกเรื่องวทหาครูาอาจารย์สปีนะเขาจะสอนด้วยปรสนาให้ไห้ล่างเท้าให้ล่างบาทให้เช็ดทูให้นวดให้อะไรอย่างนั้นนะ อยูคุณคุณรับได้คุณควรรับคุณไม่รับถ้คุณนี้ไปถ้าคุณรับได้มาวันหนึ่งคุณปฏิบัติอย่างจริงจังคุณปฏิบัติวิปัสสนูเนี่ยเราจะเกรงกลัวครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ก็จะแก้ให้มันก็จะไม่ติดแต่คนไหนเข้าไปแล้วฉันก็แน่มกันไม่จำเป็นเคารบไม่จำเป็นจะคลรวะใครเนี่ยเสร็จทุกรายเนี่ยพอเป็นวิปัสสนูไม่เชื่อใครใครก็แก่ไม่ได้ก็เป็นบ้าไปที่เราเห็นเพราะฉะนั้นองค์พระเทียนท่านจึงเน้นเรื่องนี้เอาไว้ การเคารพกุบายจารย์ก็เพื่อสิ่งนี้เมื่ออะไรผิดพลาดขึ้นมาเรามีความเคารพอยู่มัืก็แก้ได้ถ้าเรา ม, มีความเคารพมาแก้อะไรไม่ได้นีนที่สุดเราหวังมรรคผลที่พานก็ไปอีกทางหนึ่งเลยแทนที่จะไปทางนี้ก็ไปทางนี้ซะเนี่ยอันนี่คือตัวที่ต้องการพูดตอนเช้านี่คือเรื่องของวิปัสสนาจินตญาณวิปลาสมาจากตัวนิวรณ์ที่เราแก้ไม่ตกอเราไปบังคับมันซะนะเข้าใจนะ เพราะงั้นจะไปติดทีเดียวแต่ก็หาไม่ได้หรอกถ้าหากว่ามันเกิดบางทีเราทําอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมทำแต่ถ้าหากว่าเราทําที่นี่ให้ถูกเส้นเนีเวลากลับบ้านไปมันก็รู้จักวิธีแก่แล้วละ่ะมีอะไรเกิดขึ้นกลับมาหาความรู้สึกตัวให้ชัดๆไว้เสมอแก้ปัญหากายให้ชัดอย่าไปบีบอย่าไปบังคับอย่าไปความคิดออกมาก็อย่าไปกดไปทํามันก็รู้ไปเรื่อยๆเหมือนน้ามันออกมาก็อย่าไปกดมันไว้ก็ตัดทิ้งไวเรื่อยๆ ถ้ามันเป็นความคิดอดีนันโคตอยู่ความคิดที่วิตุพิจารณ์อยู่ก็สลัดทิ้งไปก่อนแต่ขี้เกยียจตักทิ้งทงาําไงไม่มีกระบวตยตกักอีกแล้วช่วยไม่ได้แล้วเดี๋ยนี้นคะุณขุดบ่อน้ําแล้วคุณไม่ได้เตรียมเครื่องมืออาไว้เนะี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ในอาจารย์อื่นที่มาไปฝึกฝนปฏิบัติมาท่านไม่ได้เน้นตรงนี้เหมือนวพ่อเทียนนะพรอเทียนเน้นตรงนี้เป็นพิเศษเลยเพราะท่านรู้ว่าปัญหาเครื่องเจอทุกคน แต่จะมีอาจารย์แก้หรือไม่แก้ให้อืแต่ท่านเองตอนที่มันเกิดเนี่ยท่านแก้เองได้เพราะว่า <c oughs> ท่านเป็นคนเคารพบาอาจารย์พอเคารพบาอาจารย์นะเวลาอาจารย์ท้วงเนี่ยท่านก็ไม่ก็ไปแก้ตอนที่ท่านสอบอารมณ์กับหลวงพ่อมหาปานตอนที่ท่านออกจานักมาเนี่ยอ่าท่านถามคําแรกว่าพริกเนี่ยเผ็ดไหมอ่า พี่นีนเ่เผิดนเราจะตอบว่าไงเผิดท่านบอกไม่เผิดอ้าวทำไมอ่ะเพราะตอนนี้พี่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่ลิ้นผมอะ่ะมันจะเผิดได้ไงนี่คืออารมณ์กรรมฐานต้องเอาปัจจุบันเป็นหลักแต่ถ้าบอกว่าเผิดนี่เป็นอะไรเป็นอดีตแล้วใช่ไหมเออเราจํำอดีตมาตอบมันเผิดเพราะมันผ่านไปแล้ ว, ลวจําได้เห็นไหมแต่กรรมฐานต้องขณะ น, นี้มันไม่มีผมไม่ได้เผิด เกลือก็เช่นเดียวกันก็ไม่เข้มเพราะเกลือมันจะอยู่ที่ลิ้นหลวงพอ่อปานก็ถามเออทีนี้อันนี้ที่ถามเรื่องวิปัสสนูนะอ่าถ้าไปสําคัญว่ามันเผ็ดแสดงว่าคุณไปยึดที่อดีตคุณก็ยังปรงแต่งเข้าใจผิด <c oughs> แต่นี้ถ้าถามถ้าถามเรื่องจิจยานกบิปรารานถามว่า ง, งี <c oughs> ้ว่าเนี่ยอุบายสกตอนนะั้นถ้าเป็นบายสกนะพอเสร็จข้อดอจะต้องเดินทางกลับบ้าน ที่จากสีเชียงใหม่น้องคายไปถึงเมืองเลยสมัยนั้นอนะ่ะทางรถมันยังไม่ดีแตว่าบางบางที่บางแห่งก็ต้องเดินเนี่ยบอกกลับบ้านนี่นะคุณต้องเดินผ่านป่าผัานบกพันดงบางแห่งเนะี่ยถ้าได้ข่าวว่าในป่านเนี่ยผ่านนันไปล่าเนื้อไปยิงเสือถูกเสือเสือเจ็บตะปูหรือเสือเจ็บนี่มันจะหนูมากๆเลยใช่ไหมเสือเจ็บถ้าได้ข่าวว่าในป่าเนี่ยมันมีเสือเจ็บอยู่เนี่ยเวลาคุณจะเดินกลับบ้านคุณจะกล้าผ่านป่านี้ไหม ท่นก็บอกว่าต้องไปนะถทำไมไปก็ไม่ถึงบ้านอา้าวคุณไม่กลัวเสือตอนที่ผมไปเสือมันอาจจะไม่อยู่ที่นั่นแล้วก็ได้ <c oughs> หรือถ้ามันมีผมก็ต้องสู้เหมือนกันนะอ๋อตรงนี้อาจารย์ยกมืออนุโมทนาลนะหมายก็กว่าถ้ากลับไปบ้านถ้ามันมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยหรือบางทีคิดว่ามันเกิดมันจะไม่เกิดก็ได้แต่ถ้ามันเกิดต้องสู้กันเหมือนกันไอ้สู้กันก็ฝึกมาทั้สามเดือนเนี่ยใช่ไหมก็ต้องมีวิธีสู้นะ ท่านบอกอันนั้นกลับบ้านได้คุณคุณไม่กลัวเสือเหมือนันนะหมายความว่ามีปัญหาแล้วไปแก้ข้างหน้าเอาเองก็แล้วกันนะถ้าคุณไม่กลัวปัญหาแสดงว่าคุณรู้จักวิธีแก้ท่านก็กลับบ้านทั้งนั้นเองเราจะเห็นว่าบางทีครูวิาจารณ์ให้สอบท่านต้องการถามถึงปัจจุบันไม่ได้ถามถาแต่ละาเอาดึงเด็กอนาคตมาตอบก็แสดงว่าเรายังไม่ได้อารมณ์มิปัสนาอารมณ์มิปัสนาอะไเกิดขึ้นป๊อต้องรู้ปัจจุบันเสมอเรามันก็จะ เห็นความจริงนะเพราะนั้นอันน like ี้ค so ือส่วนหนึ well> ่งท umm ี่เราต้องศึกษาร่วมกันเแค่นี้นะเข้าใจชันไหมนิวรนวิปัสณูจินตยานวิปราสอะไรดีที่สุดมันก็ต้องมีของที่แย่ที่สุดอะไรที่ที่ดีที่สุดนั้นก็มีเสียก็เสียที่สุดเหมือนกันเพราะก็ต้องระวังเลยจะไปเอาแต่ดีนี่ผานไปของดี แต่ไอสิ่งที่ตรงข้ามนิพพานนะคือนรกก็ต้องระวังเมือกันนะมันถ้าผิดจากนิพพานก็ไปนรนกเลยอย่างเงี้ยมันก็มาด้วยกัน